บรรดาเพื่อนพิสุสมณเณรทั้งหลายแล้วก็บรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่กำลังนั่งฟังอยู่เวลานี้วันนี้ก็คุยกันถึงความรู้สึกตามความเป็นจริงความจริงคดเฉกอนที่ต้องลบทิ้งไปรู้สึกว่าพูดตรงความมรู้สึกตามความเป็นจริงเกินไป ที่ว่าเกินไปก็เพราะว่าพูดตรงๆนี่ก็เลยสงสัยว่าบรรดาท่านผู้ฟังจะมีถ้ามีคันติดีก็ดีอยู่ถ้ามีคันติไม่ดีก็จะเกิดสร้างความโกรธแค้งขึ้นมาจะเป็นการลำบากเพราะว่าเวลานี้ปรากฏว่าภาวะของประเทศ ที่พูดนี่เป็นวันที่1ิบว่เป็นปนที่สบเจ็ดกรกฎาคมสอง7ห้ายิเจ็ดเพราะว่าเวลานี้ปรากฏว่าตามมหาวิทยาลัยต่างๆมีการเคลื่อนไหวมากเนื่องจากทางราชการจับบุคคลที่กล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ พ่อที่จริงนี้อย่าเป็นประการใดก็เป็นเรื่องของทางริชการก็เป็นเหตุผลก็แต่ละฝ่ายแต่ฝ่ายพระนะไม่เกี่ยวแต่ความจริงไม่เกี่ยวถ้าพูดเรื่องของพระตามความเป็นจริงถ้าคนนี้กลุ่มหนึ่งเกิดการไม่พอใจบุคคลใดบุคคลหนึ่งคณะในนดคณะหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับการจับการกุมเป็นเรื่องของทางศา ส, สนา ก็จะกลายเป็นว่าผมเป็นปั จ, จัยสร้างความแตแกแยกเขาบุคคลขึ้นในพระาศาสนาทางบ้านเมืองกําลังจะทะเลาะ ก, กันเร า, าศาสนาก็เริ่มทะเลาะ ก, กันอีกก็เป็นการไม่ดีทีงนี้ขอเปลี่ยนดีลาสมัยก็ตามความขอพูดตามความเป็นจริงเหมือนกันแต่วงวดอาการเครียดที่ผ่านมาเสีย วันนี้ก็ขอประรบเรื่องมโนมยิทธิ <c oughs> คำว่ามโนมยิทธินี่แปลว่ามีริทางใจบันดาท่านพุทธบริษัทได่ญาติโยมที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกคนทำได้แล้วทั้งหมดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระที่เข้ามาบวชในวัดนี้ต้องทำได้ก่อนเมื่อทำได้แล้วก็พยายามจะให้เสื่อมเสีย ถ้าปล่อยให้เสื่อมจะถือว่าเป็นการปราบมติพระพุทธเจา้าเพราะว่าความรู้นี้เป็นของพระพุทธเจา้าหากว่าจะมีใครถามว่าทำไมจะต้องสอนมโนมยิทธิซ่งมีคนหลายกลุ่มหลายคนหลายคนนี่ความจริงเขาไม่ได้พูดที่อื่นบางคนก็มาพูดใส่หน้าผมเอง ว่าสอนนอกเรี่องนรอยไม่เป็นเรื่องให้คํามาสอนนอกเรื่องนรอยนี่บางทีเขาจะคิดว่าผมเป็นแบบพระกะปิล่าพิฆุดที่ในพระวินยัยท่านบอกว่าตายจากความเป็นคนไปเกิดแนว เ, เวจีมหานรกแล้วก็พายโยมกับน้องสาวลง เ, เวจีมหานรกด้วยเฉพาะท่านกะปิละ เมื่อลงอเวจีจีแล้วขึ้นมาเป็นปลาสีทองเป็ดสีทองพอพระพุทธเจ้าถามตามความเป็นจริงเสียใจเอาหัวตีข้างเรือตายแล้ไปเกิดในเวจีมานนรกใหม่ความจริงผมไม่หนักใจแบบท่านกระปิละเพราะว่าความรู้นี้เป็นของพระพุทธเจ้าที่ให้ไว้ ถ้าท่านบนใดเห็นว่าไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวก็จงคิดว่าพระพุทธเจ้าไม่เป็นเรื่องโดยกัแล้วกันที่ผุ่กล่าวนี้ผมไม่ได้ประ น, นามพระพุทธเจ้าแต่ว่าเมื่อท่านหลาหยเห็นว่าความรู้พุทธเจ้าใช้ไม่ได้ก็แสดงว่าท่านผู้นั้นไม่ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของท่านผมปฏิบัติตามไม่ได้แต่บางท่านก็หาว่าเป็นการสะกดจิตบ้าง ความจริงการสะกดจิตนะ่ะต้องเป็นเหมือนกันหมดทำอะไรทำเหมือนกันรู้อะไรรู้เหมือนกันต้องทำได้เหมือนกันทุกอย่างเพราะถู ก, กจิตบังคับโดยการที่มาฝึกนี่ทุกคนไม่ใช่ได้เหมือนกันบางคนวันเดียวได้บางคนสองวันได้บางคนนึงสามวันได้แต่ก็มีบางรายที่ที่สี่วันเริ่มได้และบางท่านบอกว่า เป็นการเ ป, เป็นโอเป็นโอภาสแสวสว่างอันนี้ก็ไม่ถูกคำว่าโอภาสแต่เป็นแสงสว่างเฉยๆเป็นผลนการเจริญสมถะภาวนาบวกวิปัสนาภาวนาถ้าหลับตาไปแล้วจะเห็นแสงสว่างทั้งหน้าข้ า, า, างหลัง ข, า ข, า ข, าขา้างล่างข้างบนอันนี้ผมเคยผ่านมาแล้วก็ไม่ใช่มโนยิทธิบางท่านบอกว่าเป็นโอภาทาน โอปาทานในแปลว่การยึดมัน่นถือมัน่นจะต้องรู้อยู่ก่อนคิดไว้ก่อนวนะ่าภาพนั้นภาพนี้เป็นยังไงแล้วไปเจอแบบนั้นอย่างนี้ได้โอปาทานคือยึดถือภาพไม่ยอมปล่อยจะต้องเป็นเหมือนที่ฉันเห็นมา ก, ก่อนคิดไว้ก่อนที่จะถูกต้องอันนี้ก็ไม่ใช่อีก <c oughs> แล้วก็ที่ผมพูดอย่างนี้นะขอบรรดาเ พ, พื่อนวิสุทธิสมณีนนทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัท ก็จงอย่าไปโกรธผู้พูดท่านพูดเพราะท่านเข้าใจผิดท่านไม่เคยสึ่อสาเรื่องนี้มาก่อนก็ไปเรื่องของท่านถ้าคิดว่าทำไมจะไม่ศึกษสาก็ต้องนึกถึงตัวเราเองตัวเราเองท่านก็ดีผมคุณก็ดีผมก็ดีญาติโยมพุทธบรตรใส่ก็ดี <c oughs> เดิมทีดีเดิมที่เดียวก็เชื่อนรกสวรรค์แต่ว่าเราไม่เคยเห็นนรกสวรรค์ ขอโทษต้องกินน้มวันนี้ป <c oughs> ่วยอาการป่วยเครียดมากเดินก็งงนั่งก็งงแต่ก็เพื่อพพุทธศาสนาเพื่อความดีของบรรดาญยาโยมพุทธบริษัทก็ทำ <c oughs> ก็เป็นนั้นว่าเราก็มาพูดตามเรื่องของเราเรื่องเมื่อกี้ทิ้งไว้กินน้ำเอือเ้อตเดียวหายไปเลยผมไม่มีหนังสือ ผมไม่ได้สือหนังสืมาได้ความรู้สึกของผมมีอย่างหนึ่งคือว่าผมมีความรู้สึกตัวผมนี่เลวมากในสมัยก่อนสมัยเป็นเด็กเรื่องนรกเรื่องเทวดาเนี่ผมพบมาก่อนผมเชื่อเพราะทุกอย่างถ้าไม่ผมไม่พบมาก่อนนี้ผมไม่เชื่อ ผมก็เป็นคนประเภทหนึ่งที่เราไม่ยอมเชื่อลอยๆจะต้องมีเหตุมีผลมีประสบการณ์เองที่มีเหตุมีผลแล้วผมก็ยังไม่เชื่อต้องชนเองอแล้วต่อมาผมเป็นพระแล้วก็ผมเรียนนักธรรมเรียนบาลีแล้วผมได้บรรดาพูดผมได้พยายามพูดธรรมดาย่าโยมพุธบ ร, ริสัยเข้าใจเรื่องนรกสวรรค์ ท่านเชื่อแต่ก็ไม่หมดการแข่งใจต่อมาเป็นนักเทศเทศเท่าไร่ญาติโยมก็ไม่หมดการแขลงใจยังมีความรู้สึกเนี่ยเราเลวเหลือเกินที่ริงข้าวของญาติโยมภาพพอนท้าสบายที่ใช้ญาติโยมก็หาให้สถานที่อยู่ญาติโยมก็หาให้ แล้วก็ ก, การป่วยไข้มาสมบายญาติโยมก็หายารักษาโรคให้รักษาหมอมาให้ <c oughs> แต่ว่าเราไม่สามารถจะสนองความดีของญาติโยมได้ตามความเป็นจริงไม่สามารถจะเปืี่นอารมณ์ของท่านได้มีความรู้สึกว่าเลวมากทั้งๆ ท, ที่ความรู้นี่มีอยู่จึงได้บารารอบว่าความรู้ของค์สมเด็จพระบรมครู <c oughs> คือพระพุทธเจ้าความรู้ที่ท่านสอนไว้ที่บรรดาพระโบราณอาจารย์คือท่านใครละ่ะท่านพระพุทธโคสาจารย์ที่อยู่เมืองสะเทิมรสุธรรมวดีท่านกรุณาเขียนวิสุทธิมักเวลาที่เจะแปลพระไตรปิฎกให้บรรดาพระอ่ันทั้งหลายเหล่านั้นตรวจ ถ้าวิสุติมักเขียนไม่ถูกต้องเขาไม่ยอมให้แปลพระพตรปิฎกจากภาษาสิงห์หนมาเป็นภาษามคตท่านก็พยายามเขียนเขียนแล้วเขาไม่ตรวจถูกต้องจึงได้ยอมให้แปลพระพตรปิฎกผมก็มีความมั่นใจว่าในฐานะที่พระพุทธโกสาจารย์แห่งเมืองสุธรรมวดีท่านเป็นพระรหันปิสมิทธายาน และบรรดาพระที่ลังกาที่เป็นพูดตรวจสอบท่าน <c oughs> ก็เปลี่ยนพระอรหันต์ฉะนั้นความรู้ที่พระพุทธโกศาจารย์รุจนาไว้ต้องไม่ผิดคณะสงฆ์จึงยกเป็นบกรณ์พิเศษเป็นหลักสูตรข้อเรียนแปดประยปโยคแต่ถ้าว่าถ้าถือในวิสุทธิมรรคจริงๆผมปฏิบัติมาตามสายนั้นมันใช้เวลามากจริงๆ ผมบวชมาแล้วใช้เวลาเกือบสองเดือน <c oughs> จึงสามารถทำวิชานี้ได้แต่ถ้าทำได้แต่ท่านอย่านึกว่าผมนะ่เป็นคนวิเศษวิสโสนะความรู้ที่ผมมาสอนพวกท่านก็ดีหรือว่าที่ผมสรงไว้ได้ก็ดีมันเป็นความรู้เป็ดเป็ดเป็นเศษความสามารถของดาพระอาดานทั้งหลายท่าน แต่ก็เราสามารถจะรู้จักสวรรค์นรกกันได้ก็อย่างดีผมก็แต่ว่าในวิสุธทธิมรรคคือพระโตรสาสอาจารย์ทรสจนาไว้ว่าบุคคลผูดด้ใดถ้าเคยได้แล้วมันไม่ใช่ก่อนอย่างทิพยคุ ย, ยานเป็นต้นท่านบอกว่าไม่ต้องตั้งท่าตั้งทางทำกระสินเพียงเห็นแสงสว่างจากช่องฟาที่ลอดมา เมื่อจับแสนสว่างเป็นอารมณ์ก็สามารถจะได้ทิพยคุยานได้ผมก็มาคำนึงถึงเรื่องนี้ว่าคนที่เกิดมานี้ที่ดีมีมากที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคนมีสีเหล่าขึ้นหนึ่งอุคติตัอยู่มีกําลังใจเตรียมพร้อมในการปฏิบัติพร้อมจะได้มีความสามารถพร้อม ท่านประเภทนี้ฟังคำหัวข้อแค่หัวข้อเท่า น, นั้นก็สามารถจะเข้าใจปฏิบัติได้ทันทีทันใดสองวิปติเต็นอยู่ท่านประเภทที่สองนี้มีกำลังใจดีแต่ความฉลาดน้อยไปนิดหนึ่งฉลาดน้อยกว่าพวกก่อนแนะนาได้เพียงหัวข้อไม่เข้าใจต้องทิบบายจึงเข้าใจทำได้สปัจเจเนยะ ท่านโบนี้มีกับความมีกําลังความดีพอควรแต่สามารถจะเป็นพระอริยเจ้าได้แต่ต้องปลุกปล้ำกันหน่อยจริงจะเข้าใจถ้าสอนผ่านไปผ่านมาอันนี้ไม่เข้าใจต้องต้องจําจี้จำชยัยซ้ําแซ่กันแล้วก็สี่ประทับประมะท่านโบนี้ไม่มีเหตุไม่มีผลเป็นคนที่ไม่เอาไหน ประเภทที่เรียกว่าสอนเท่าไรก็ไม่รู้จักจําปฏิบัติเท่าไรก็ไม่มีผลเพราะอาจารสอนครอบงํามากคนประเภทนี้พระพุทธเจ้าทรงหลีนเนระบรรดาเพื่อนพิโสสมันเนิผมปรารพอย่างนี้อย่งปรารพว่าพระธรรมคำส่งสอนพระองค์สมเด็จพระจินสีสมัยเมื่อพระองค์ยังอยู่พูดไม่กี่คําใช้เวลาไม่นานคนก็บรรุนละมผลมีอยู่ แล้วเมื่อองสมเด็จพระบรมครูนิพพานไปแล้วบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายท่านพูดหน่อยเดียวคนก็บรรลุ ม, มากคนแต่ว่าความรู้ที่ อ, องสมเด็จพระทศพลสอนไว้ต้องมีต้องมีง่ายง่ายง่ายกว่าที่ผมศึกษามายังได้พยายามคนา้คนคว้าค้นคว้านั้นไม่ใช่ปัญญาของผมเองนะครับต้องถือว่าค้นคว้าหลักสูตรที่พระเจ้าทรงสอน เมื่อพบแล้วประมาณสี่สิบอย่างเสร็จลองมาปฏิบัติก็รู้สึกว่าทาง่ายแต่ว่าง่ายจริงๆ จ, จ, จะต้องใช้เวลาถึงเจ็ดวันแต่ก็อย่าลืมว่าผมเคยฝึกมาแล้วต้องใช้เวลาถึงเจ็ดวันถ้าชาวบ้านในเวลาเจ็ดวันเขาไม่ไหวถ้าพระเจ็ดวันบางทีชาวบ้านอาจจะต้องใช้เวลาถึงเจ็ดเดือนให้ชาวบ้านไม่มีเวลาทาแน่ ยังได้คิดว่าจะต้องหาความรู้ที่ง่ายที่สุดและมีผลสม่ำเสมอกันก็จริงไปได้หลักสูตรนี้มาหลักสูตรนี้จะได้มาต้องใช้เวลาจริงๆยี่สิบสามปียี่สาปีไม่ใช่ใช้ปัญญาคนควาเองหาบุคคลคือหลักสูตรหาได้แต่ต้องหาบุคคลที่ทำได้ด้วย คนที่ทําได้ต้องมีแล้วก็ต้องลองฝึกดูคนเพื่อนปริสุทธ์ก็เป็นอนั้นว่าความรู้อันนี้นะที่ผมก็ไปได้มาจากอาจารย์สุขทั้งพ่านเป็นคารวาัตมันดาเพื่อนบิิสุทธิสมัเนิแปลกใจไหมครับที่ผมยอมตัวไปเป็นลูกศิษย์คารวาัตท่านอาจจะแปลกใจหากว่าท่านมีมรณะทิฏฐิ ถ้าท่านมีมณะการถือตัวถือตนท่านแตีใจแน่ว่าพระไม่ควรจะน้อมตนเข้าไปเป็นเจ้าสิกขาวัตรแต่ว่าคนอย่างผมเสอย่างผมยังไม่เคยคิดว่าผมดี <c oughs> ยังมีความรู้สึกว่าผมเหลวแล้วก็ผมโง่ทั้งนี้เพราะอะไรโง่จริงๆกินข้าวคนยตาคนโยมโยตาโยมเลี้ยง สถานที่ญาติโยมหาให้ภาพพรตสบายญาติโยมให้ย า, ารกักษาโรคหมอรกักษาโรคหมอยมก็ให้แต่ว่าผมเป็นคนอย่างไรไม่สามารถจะสนองกำลังใจของญาติโยมให้เข้าใจสวรรค์โรกจริงๆได้ฉะงนั้นผมคิดว่าในเมื่อผมยังเลวอยู่ถ้าใครเขาดีกับผมผมยอมรับเป็นครู ผมเคยรับคำแนะนําของเด็กแค่อายุสิบสองให้เหตุให้ผลนี่ผมเชื่อแต่คนนั้นไม่ใช่ใครเป็นโอสีของผมเองนี่ระบรรดาเพื่อนวิสุจนิสมณเณรนิสัยผมเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าใครมาเบ่งอดอดเลวนะ่ะไม่ใช่อ ด, ดีอันนี้ผมยอมไม่ได้เขาไม่ยอมไม่ได้ไหมายความว่าจะไปโจรตีกับเขาผมก็ไม่ยอมรับ คำแนะนําของเขาว่าคนผู้นั้นต้องมาแบบดีมาตามดีลาของพระพุทธเจ้าผมยอมรับจะได้ความรู้นี้ต้องถือว่าเป็นประวัติส่วนหนึ่งของผมขณะที่ผมไปพบท่านอาจารย์สุขมันเป็นการเบื่เอิญจริงๆครับที่ว่าเป็นการบื่เอิญจริงๆท่านกําลังเอางนี้ก็แล้วกัน อาจารย์สุขเวลานั้นแค่ก็ดื่มเล่ามปนเรื่องแปลกแล้วก็คนมารกินเหล้าวงเดียวกันเกิดท่าทายเพราะว่าไอ้สุก ข, ขอประธา น, นไปผมไม่เรียกท่านอย่างนั้นนะเรือกตามข่าวคำทีำไ่ได้ยินมาไอ้สุขก็ว่าเมืองสอนคนไปสวรรค์ปานรกได้ใช่ไหมไอาจารย์สุขก็บอกใช่คนในก็บอกกูไม่เชื่อ กูไม่เชื่อสวรรค์มีนรกมีกูก็ไม่เชื่อความสามารถในคำสอนของมึงเอาคนแล้วก็วเกิดการท้าทายว่าอาจารย์สุก็บอกว่าถ้าหากว่ากูสอนให้มึงเห็นนรกได้หรือว่าเห็นสวรรค์ได้มึงจะยอมเสียเล่ากูหนึ่งขวดไหมในเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกนะครับมันไม่น่าจะเป็นไปได้คนนั้นก็ยอมคนนั้นก็เลยบอกว่าถ้ามึงทำให้กูไปไม่ได้ มึงต้องเสียเล่าไอ้คนหนึ่งคนเท่าสองเกิดท่าไทยกันก็ามาหั่หน้ามาที่ผมก็บอกว่าพระคุณเจ้าเป็นพยานดูนะครับผมก็เลยนึกดีวันนี้เป็นกรรมการขี้เมาแต่ผมไม่นเนี่ยเบากับเขาเป็น น, นว่าถ้าอาจารย์สูตริท่านเขสั่งหาดอกไม้มาสามดอกดอกละหนึ่งสีซึ่งมันหาไม่ยากมีเครื่องข้างตัวคนนั้นก็เด็ดมา เอาทูบมาสามดอกเอาเทียนดีกุบชาที่เรีว่าเทียนหนักบาทความจริมันหนักไม่ถึงบาทมันหนึเล่มแล้วใช้สตังหนึ่งสลึงยกครูแล้วใช้เหล้าหนึ่งขวดอันนี้แปลกผมก็นั่งนึกในใจว่าเออไ อ, อ้เรื่องเพลิอนอย่างนี้เดี๋ยมันไม่น่าจะมีเหล้ามียาก็นั่งดูเขา <c oughs> จะทํายังไงกัน ต่อมาถ้าอาจารย์สุก็ไรกริ่งพกตาข้าวมาพกตาข้าวนี่จะเข้าใจไม่เข้อใจเพราะไม่ทิมบายให้คนนั่งนั่งที่นกพกตาข้าวแล้วก็ท่านให้ราวนาะวันมะพะทะอันนี้แปลกไม่มีวิธีทำรรอะไรเลยหลังจากนั้นท่านก็ใช้สาันมนต์พรมเมื่อพรมนมนต์แล้วท่านก็ยืนอยู่ใกล้ ท่านบอกว่าท่านภาวนาว่านโมทายะเป็นการควบคู่หลังจากนั้นเสร็จสักครู่หนึ่งท่านกา็าทุบหอมจุดก็ไปโรยค้าค่ายมบุกให้ได้กลิ่นหอมแล้วก็กะดาษ จ, จุดไฟช่วยแสงสว่างไปไปไ ป, ไปส่องที่ข้างหน้าไม่ใช่ถึงเนื้อนะให้สว่างท่านถามว่าสว่างแล้วยางสว่างแล้วยังคนนั้นบอกสว่างแล้วสว่างแล้วแ้าก็ดับไฟ ดับไฟแล้วท่านก็ถามสว่างได้อย่างหลอกสว่างแล้ว <c oughs> เห็นแสงเขาขาวพุ่งลงมามีไหมแสงสว่างได้พุ่งออกไปมีไหมคนนั้นบอกว่าเห็นแสงสว่างพุ่งลงมาจากก้าบนท่านก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นตัดสินใจพุ่งกายไปตามแสงทันทีคนนั้นก็บอกว่าเวลานี้ออกจากกายแล้วท่านก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นตั้งใจไปนรก <c oughs> คนนั้นก็บอกวเวลานี้ถึงนรกแล้วเมื่อถึงนรกแล้วก็อธิบายความเป็นมาของนรกถูกต้องตามไตรภูมิและก็ถูกต้องตามที่ประสบมาตามพระบาลีผมฟังแล้วก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ก็เป็นว่าไปไปมาคนนั้นพบนรกหลายๆขุมตามที่เราเข้าใจผมก็แปลกใจ เรื่องที่อย่างนี้พระมีสินแท้ๆไปไม่ได้แต่คนที่เล่าเมายาไปได้แล้วต่อมาคนนั้นก็ร้องบอกว่าอยากจะพบคุณปู่ที่ตายไปแล้วท่านอาจารย์สุขบอกว่านึกถึงก็ะยาโยมท่านเชิญท่านมาสงเคราะห์คนนั้นก็บอกวเวลานี้ท่านไปยาโยมท่านมาเยี่ยข้างข้างแล้ว ไว้ถามท่านบอกบอกท่านบอกคุณปู่ชื่อนั้นชื่อนี้ตายไปเมื่อไรเวลานี้อยู่ในนรกไหมก็ปรากฏว่าคนนั้นบอกมาว่าพระยาโยมท่านบอกว่าในนรกไม่มีคนนี้แล้วคนนี้มันมีชีวิตอยู่มีความดีมากท่านเป็นคนดีมีความดีแล้วก็บประการที่สองคนนี้มีศีลห้าครบพ้นมา น, นาน ใช้เวลาประมาณถึงสามสิบปีแล้วก็มีความเคารพในพระพุทธเจ้าและพระธรรมพระอริยสงฆ์จริงคนนี้มีจิตอยากจะไปนิพพานแล้วก็อาจารย์สุขก็บอกว่าไอ้ถามท้าเบญจยมท่าปานิพานได้อย่างท้าเบญจ ย, ยมบอกว่ายังคนนี้ไปอยู่ชั้นโดสิบ์เพราก่อนจะตายเป็นพระโสดาบัน คนนั้นก็ถามว่าพระโสดาบันมีความประพฤติอย่างไงบ้างแต่ก็บอกว่าหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันม่มันจะต้องตายคือไม่ประมาทในความตายสองเคารพในพระพเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์จริงแล้วสามมีศีลห้าบริสุทธิ์สีจิตต้องการจุดเดียวคือนิพพาน ถ้าอย่างนี้มาเป็นมระโสดาบันแล้ว ก, กราบบาปกรรมทั้งหมดจะไม่สามารถลงโทษต่อไปอีกถ้าไปถึงนิพพานไมได้อย่างชั้นดฤาษ์ต่อไปก็สามารถมาฟังเทศเจ้พระสิอ่านจบเดียวจะเป็นพาาระอรหันต์เป็นปาิพพานเลยแล้คนนั้นก็เลยหันไปถามท่านว่าคนอย่างผมจะเป็นมระโสดาบันได้ไหมเสียงบอกมาพญายมขออย่างนี้มันไม่ได้ดอก อย่างนี้ต้องเป็นสัตว์นรกเพราะการจะมาเนี่ยกินเหล้ามาเหล้าเนี่กินเฉยๆไม่มีโทษอย่างอื่นก็ต้องตกโลหะกุมพีแล้วท่านก็ชี้ให้ดูโลหะกุมพีเพราะนั้นร้องวดัดตายแล้วพยายยบอกนี่เหล้าเฉยๆนะกินเหล้าเฉยๆถ้ากินเหล้าแล้วโกหกมดเทสยังมีอีกขมหนึ่ง กินเล่าจะทำร้ายคนอื่นมีขมหนึ่งถ้าบาปหนักกว่านี้ต้องลองขมใหญ่อันนี้เป็นนรกเป็นนรกเล็กๆ เ, เสษเศษนรกเขาเรียกวาย ม, มาโลกีนรกเสียงเขาเลนบอกว่าเวลานี้ก้มลงกราบพระยาหยมว่าถ้าผมจะเป็นคนมีศีลบริสุทธิ์แล้วปฏิบัติตนอย่างปูเนจะไปเมืองปป่ได้ไหม พยายามจทนทกบอกว่าได้ทำไมจะไม่ได้ให้ลืมความชั่วทั้งหมดปานาติอตินากามเมโมสาสราที่ผ่านมาแล้วทั้งหมด <c oughs> เลิกกันไม่คิดถึงมันนักตะวันนี้เป็นต้นไปไม่ลืมคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะตายถ้าเราตายแล้วไม่ยอมมานรกกแทนที่ยืนอยู่ที่นี่เป็นทุกข์เราต้องการไปจุดเดียวคือนิพพาน ถ้าไปสวรรค์หรือผมอหมดบนวาสนาบารมีต้องพุ่งหลา่าลุนรกเพราะบาปเก่ามีอยู่ดะนั้นรุ่งอย่างเดียวคือปฏิปนาอนอารมณ์ทั้งอย่างนี้ถ้าส่งตัวเขาเรียกปโสดาบันบาปทั้งหมดที่ทํามาแล้วไม่ทําต่อไปตัวความท่างคุยกันอยู่นานประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จผมก็จะขอระงับ <c oughs> ไม่พูดมากไปว่าคนนั้นก็ถอดตัวกลับจุดเดิม ท่านลุกขึ้นกราบอาจารย์สุขแลขอมอบเล่าพิเศษเงินค่าเล่าให้แลวงตองก็เลยบอกว่าเขาหันมาทางผมว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขึ้นที่วสินห้าผมจะครบถ้วนครับแล้วก็ผมจะไม่ลืมความตายพ้นนรกแล้วไม่ไหวไม่ไหวไอ้เล่านี่โอ้โหผมกินหน่อยเดียวคนนา น, นารกเดิดนคึบคือ ค, ค, คอันนี้ไม่ไหวจริงๆ แล้วก็ตรากฏว่านับตอนใแเวลานั้นเป็นต้นมาวันนั้นเขาให้เล่าอาจารย์สุขอาจารย์สุขก็เลิกกินเหมือนกันได้ความจริงอาจารย์สุขท่านทําได้น่าจะเลิกกินเล่ามาแต่ปรากฏว่าอาศัยคนนั้นเป็นพิเศษเป็นเหตุให้อาจารย์สุขก็ไม่กินเล่าแต่วันนั้นเป็นต้นมาแล้วก็ไม่ละเมิดสินะนี่บารดาท่านพุทธบริษัท ของดีย่อมมีในที่ทุกสถานถ้าเราจะไป น, นามคนเมาว่าคนเมาเลวมันก็ไม่ถูกความดีก็มีอยู่ท่นี้ผมเป็นพระนี่ครับผมมีความรู้สึกตัวผมนี่เลวกว่าคนเมาแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาไหว้ผมผมไม่ได้ไหว้าชาว บ, บ้านความรู้ก็จ้อยรอยเพียงเท่านี้ ผมไม่สามารถจะมีมาแจกญาติโยมพุทธบริษัทนี่ผมเร็วมากผมมีความสุขเวลานั้นเมื่อก่อนเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเร็วอยู่แล้วแต่ว่าตอนนั้นรู้สึกเร็วหนักขึ้นนิรันดรดาท่านอย่างายก็ผมก็ยอมรับตามความเป็นจริงว่าผมเร็วแต่ผมจะพยายามเพื่อความเร็วเพื่อได้นิดหน่อย ความจริงผมก็มีความรู้สึกว่าความรู้มโนยิธทธิที่ผมให้ญาโยมพระตบริษัทมันยังน้อยกว่าความดีขมันดาญาโยมพตบวรสัตจังหลายที่ส่งเค้าผมถ้าตะมาก็ขอประธานอภัยกขมันดาญาโยมพระตบริษัทว์จงหลายที่นางที่นี่ประมาณสองร้อยคนเศรวันนี้น้อยหน่อยนะ <c oughs> วันนี้น้อยหน่อยที่สนองคุณญาโยมได้ไม่ไม่เป็นไปตามความประสงค์ต้องขออภัยแล้วก็ ทุกคนตั้งใจปฏิบัติมันจะเล็กๆน้อยๆก็ตามคอยสนองได้บ้างกับพอคนนะก็ถือว่าดีพอเปร น, นั้นว่าสำหรับวันนี้เจ้ามันดาท่านอย่างหลายมองเวลาไปมันก็เหลือสองนาทีผมตั้งใจคิดว่าจะพูดอีกอันหนึ่งที่มีประสบการมาตอนนี้ก็เป็นเรื่องของผมผมก็ตัดสินใจว่าเอาละขอเป็นลูกศิษย์อาจารย์ุข แต่ว่าผมเนีกินเหล้าไม่เป็นมาตั้งแต่เกิดไม่ไม่มีเหล้าไปอาชีพเรื่องเหล้าไปอาชีพที่ไม่เอาแน่แต่ว่าเวลายกครท่านแต่แปลกวันนั้นสําหรับผมอาจารย์ศกเวลายกไหว้รัท่านไม่ต้องการเหล้าเลยไม่มีสุรายาเมาไม่มีอะไรทั้งหมดตัวท่านยศเองท่านเลิกเมามันดี้าวันหลังนะ่ะความจริงวันนั้นก็ขอเรียนท่านเห็นผลแล้วเนี่ย ขอเรียกจาท่านตัต่ ท, ท, ท่านก็ขอรับบอกเอาวันหลังทุกครับวันพรุ่งนี้ผมจะแนะนำให้อลาบรรดาเพื่อไปสู์ท้งไหลเป็นว่าวันลุกขึ้นท่้นก็มาแต่มาแล้วจะพูดอะไรกันได้ล่ะสัญญาณบอกหมดเวลาทิพย์เสียงจะหมดแล้วก็ขอหยุดก่อนขอความสุขสวัสดพิพิพัฒนมงคลสมบูรณ์ูลผลยงมีแดบรรดาเจพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี